ผีเฝ้าสาลาหน้าวัดตูมพระนครศรียุทธยาสัมผัสสยองวัดตูมตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระนครศรียุทธยาริมถนนสายประตูชัยแยกป่าโมก ทางทิศเหนือของเกอะเมืองริมคลองวัดตูมถนนอยุทยาอ่างทองห่างจากตัวเมืองอยุทยาประมาณ 6-7 เกิโลเมตรเลยทุ่งลุ่มพรีไปหน่อยเดียวในท้องที่ตาบลวัดตูมมีเนื้อที่วิสุงคามสีมาประมาณ15ไร่เศษวัดตูมเป็นวัดหนึ่งในหลายๆวัดของอายุทยาที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด ได้แต่สันนิฐานกันว่าน่าจะเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยเมืองอโยธยาก่อนที่จะตั้งกรุงศรีอยุธยาวัดนี้เคยร้างมาครั้งหนึ่งนานนับสิบสิปีในช่วงสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพศ2310พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ โปรดก้าวให้ผู้รังเมืองร่วมกับประชาชนปฏิสังขรณ์วัดตูมขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งและโปรดให้มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษามาจนถึงปัจจุบันนี้วัดตูมมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยคือเป็นวัดที่มีอายุมานานไม่น้อยกว่า 1,000 ปีและเป็นสถานที่สำหรับลงเครื่องพิชัยสงครามมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชื่อหลวงพ่อสุ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะพิเศษคือพระเศียนตอนเหนือพะนลาศสามารถเปิดออกได้และพระเกศมาลาศทอดออกได้ภายในพระเศียนเป็นบอกกว้างลึกลงไปเกือบถึงพระมีน้ำไหลซึมออกมาตลอดเวลาเหมือนหยาดเหงือ่อแต่เป็นน้ำใสเย็นชุ่มบริสุทธิ์ปราดจากมลทินและสามารถดื่มกินได้โดยปราศจากอันตราย ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาโรคทุกอย่างได้วัดตูมเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการทหารด้วยในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างธงพระกบีท่ทุตซึ่งเป็นธงประจำตำแหน่งจอมทัพโดยปลดเกล้าให้สมเด็จพระบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ากรมพยานริตรานุวัติวงศ์จัดทาขึ้นโดยมีพระครูทันเสม า, าจารย์หรือพระวิสุทธาจารย์เถหนเรื่องรองเจ้าคณะเมืองกรุงเก่าแห่งวัดประดู่ทรงธรรมพระนครสยยุทธยาได้ทาพิธีลงยันและอักขละที่วัดตูมนี้ในสมัยรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จมาถวายผ้ากรถินที่วัดนี้อยู่หลายครั้งจึงถือเป็นวัดหลวงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลนี้ภายในวัดนั้นจะมีสระน้ำสำคัญอยู่ข้างพระอุโบสถซึ่งรัชกาลที่ห้าโปรดให้นำน้ำในสระนี้ไปใช้ในพิธีลงเครื่องพิชัยสงครามชุบพระแสงสภาพของวัดตุ่มยุคหสิบปีล่วงมาแล้วครั้งหลวงปู่ถนอม็นเจ้าต สภาพพื้นที่วัดยังมีความรกร้างอยู่มากและด้วยเหตุที่เป็นวัดเก่าโบราณอายุนับพันปีมาก่อนจึงมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่จนรกทึบและดูน่ากลัวแม้ในเวลากลางวันก็ยังหาสิ่งที่มีชีวิตผ่านไปได้ยากยิ่งตกเวลาเย็นย่าค่ำด้วยแล้วจะหาผู้คนเดินผ่านวัดไปมาสักคนยังยาก แม้กระทั่งพระในวัดที่จำพรรษาอยู่ไม่เกินห้าองค์พอคำลงก็เข้ากุฏิไม่ยอมโผลออกมาจนกว่าจะเช้าจึงออกมาบินทะบาทด้วยความรกทึบของต้นไม้ใหญ่ในบริเวณวัดที่มีทั้งต้นรังต้นโพต้นไซต้นกลางต้นไม้เต่งไม้รังและไม้อื่นๆน า, นานาชนิดจึงเกิดคําร่าลือกันว่า วัดตูมนี้ผีดุขนาดตอนกลางวันยังกล้าออกมาหลอกหลอนผู้คนได้สภาพของวัดตูมก็เหมือนกับสภาพของวัดเก่าแก่วัดร้างในอุทยาทั่วๆไปมีเสนาสนะซึ่งสุดโสมและมีป่าช้าอยู่ด้านหลังของวัดมีเชิงตะกอนอยู่ติดกับป่าช้าขั้นด้วยสาราธรรมศพหน้าวัดเป็นคลองกว้างเรียกว่าคลองวัดตูม เป็นคลองเชื่อมกับคลองกบเจ้าที่ไหลาจากแม่น้ำเจ้าพยาผ่านเข้ามาสู่คลองวัดตูมที่ประตูชัยไหลไปออกแม่น้ำลบบุรีที่ทุ่งทะเลยาและที่คลองนี้ช่วงหน้าวัดตูมจะมีศาลาท่าน้ำเก่ามีหลังคามุงกระเบื้องดินเผาอยู่หลังหนึ่งและมีเรือบินทบาทของหลวงปู่เจ้าาวาสจอดประจำอยู่ลำหนึ่งในทุกเช้า หลวงปู่ถนอมกับเด็กวัดคนหนึ่งก็จะมาลงเรือภายไปปลดสัตว์ตามบ้านของชาวบ้านที่อยู่ริมคลองสองฝั่งเป็นประจำและที่ศาลาท่าน้ำนี่แหละที่มีเสียงล่ำลือกันว่ามีผีดุและปรากฏตัวให้เห็นนั่งห่มผ้าขาวคลุมปโป่งโผล่หน้าดำๆอยู่ตรงที่ริมศาลาข้างบันไดท่าน้ำเป็นประจำ ชาวบ้านย่านท่าวัดตูมที่พายเรือผ่านท่าน้ำตอนเย็นๆโผล่เพก็เคยเห็นกันมาเกือบทุกคนสาเหตุที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาคือวันนั้นหลวงลุงของผมท่านขึ้นจากวัดดึกเพราะไปเยี่ยมหลวงปู่ถนอมที่เป็นอาจารย์ของท่านในคราวหนึ่งหลวงปู่ถนอมเล่าให้หลวงลุงของผมฟังว่า ตอนที่ท่านเข้ามาครองวัดได้สักห้าพันษาวันหนึ่งมีคนเสียสติแพนจอเดินมาจากไหนไม่ปรากฏได้เข้ามาอาศัยนอนที่หน้าโบสถ์หลวงปู่เห็นก็เวทนาให้ข้าวกลนบาทมันกินอาศัยประคองชีวิตไปวันวันคนบ้าคนนั้นสติเสื่อมขนาดที่เสื้อผ้าไม่ยอมใส่เดินแก้ผ้าอยู่ในวัด หลวงปู่เห็นท่านจึงสงสารเลยเอาจีวรเก่าๆผืนหนึ่งให้มันห่มกันอุจจารตาตั้งแต่ได้จีวรหลวงปู่ไปเจ้าคนบ้านคนนั้นก็เลยผูกพันกับจีวรเก่าห่มไปห่มมาตลอดเลยหายอุจจารตาไปได้หลวงปู่เรียกคนบ้า น, นั้นว่าไ อ, อ้คงท่านบอกว่ามันจําได้เพียงชื่อและจําบ้านที่อยู่มันตอนเกิดได้ว่า อยู่ที่บ้านแพนการที่ไอ้คงเดินทางเร่ร่อนจากบ้านแพนมาถึงวัดตูมนี่ถ้านับระยะทางแล้วก็หลายกิโลเมตรอยู่แต่มันก็มาถึงจนได้และมันก็อยู่ที่นี่จนเกิดเหตุประหลาดอย่างหนึ่งคือวันดีคืนดีไอ้คงก็หอมจีวอนขาดขึ้นไปกราบหลวงปู่ถึงกุฏิ พูดจารู้เรื่องเหมือนคนสติดีทั่วๆไปมันเล่าให้หลวงปู่ฟังว่ามันได้กินน้ำมนต์ในเสียงภาพพุทธรูปที่ในโบสถ์มันจึงหายจากอาการบ้าหลวงปู่เห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกก็ให้ไอ้คงพาไปที่พุทธรูปที่เรียงรายอยู่ในโบสถ์เกือบสิบองค์ไอ้คงพาไปที่พุทธรูปองค์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสุดแล้วก็หมุนพระเกตมาลา และพระเศียนตอนเหนือของพนาลาดออกหลวงปู่จิงชะโงกดูก็เห็นน้าใสบริสุทธิ์ในพระเสียนจริงๆท่านจึงถามไม่คงว่ารู้ได้ยังไงมันก็บอกว่ามีเทวดามาบอกและบอกว่ามันหมดกรรมจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วหลวงปู่ท่านก็เลยอาราธนายกพระพุทธ ร, รูปขึ้นไปตั้งไว้บนกุฏิ คนทั่วไปได้ข่าวก็แห่กันมาดูและขนานน้าพระพุทธรูปองค์นั้นว่าหลวงปู่สุขซึ่งยังมีปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ส่วนไอ้คงนั้นหลังจากมันหายจากสติฟั่นเฟือนได้แค่เจ็ดวันอยู่มาวันหนึ่งเด็กวัดก็พบมันนอนสิ้นใจอยู่ที่ศาลาท่าน้ำโดยไม่มีสาเหตุใดๆไอ้คงนอนหลับตายไปเฉย หลวงปู่ท่านก็เวทนามันได้เอาศพไอคงมาเผาแล้วสวดอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้มันไปสู่สุคติพอไอคงตายไปได้เจ็ดวันก็มีผีไอคงอลรวาดที่น่าสารท่าน้ำหน้าวัดวันหนึ่งทิดมากับทิดมีสองคนพี่น้องคนบ้านกบเจา้าเอาไก่ชนที่มีอยู่ลงเรือพายไปบ้านเพื่อนที่ลุมพลีเพื่อจเจ้าไก่ไปซ้อม กล่าวไว้ว่าเจ้าลงสังเวียนที่ลุมพีตอนวันพระน้าขากลับสองคนก็พายเรืออีปาบผ่านหน้าวัดตูมช่วงนั้นเป็นเวลาเย็นโพรเพย์ทำให้มัวหน้ามัวตาสองคนพี่น้องนั้นพี่พายท้ายน้องภายหัวผ่านบ้านผู้คนที่บางตามาจนเข้าเขียดวัดจนกระทั่งผ่านเข้ามา ที่ศาลาท่าน้ำวัดตูมสองคนพี่น้องพายเรือกันมาเงียบๆและทุกอย่างก็เงียบจริงๆได้ยินแต่เสียงของพายจุ่มน้ำเท่านั้น น, น, นานๆจะมีเสียงปลาผุดบ้างเสียงนกกลางคืนบินผ่านมาส่งเสียงร้องบ้างลมเย็นจากท้องทุ่งไกลๆพัดมากระทบผิวน้ำพานทําให้เย็นเยือกไปทั่วร่างและทันใดนั้น ทั้งสองพี่น้องก็รู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะที่ศาลท่านามหน้าวัดได้มีร่างร่างหนึ่งห่มผ้าขาวคลุมทั้งตัวเหมือนผีถูกมัดตราสังนั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่บนยกพื้นศาลามันหันข้างมาทางสองพี่น้องที่กำลังพายเรือผ่านทิดมาคนน้องหันหน้ามามองทิดมีพี่ชายที่พายท้าย ก็เห็นพี่ชายกำลังตาขมิงมองดูร่างที่คุมผ้าขาวนั้นอยู่ตอนนั้นไม่มีเสียงใดๆออกมาจากปากของชายทั้งสองและในมือทั้งสองต่างก็กำพายจนแน่นเรืออิปปาบของสองพี่น้องถูกคัดท้ายบังคับให้พายเลาะไปทางฝั่งตรงข้ามของศาลาแต่ระยะความกว้างมันก็ไม่ห่างจากศาลาสักเท่าไหร่ พอเรือเลยบันไดท่าน้ําของศารามาได้ไม่เกินว่าร่างที่ห่มผ้าขาวคลุมทั้งร่างก็หันมาสบตาไอสองคนพี่น้องตกตะลึงตัวชาไปทั้งคู่เพราะหน้าที่หันมานั้นมันดําสนิทเห็นตะลูกในตาสีขาวกลวงโบทั้งสองคนร้องออกมาพร้อมกันว่าฮีโร่โว้ยเท่านั้นล่ะ เสียงจ้วงพายลงน้ำผึบๆึไม่ต่างอะไรกับการจ้วงภายแรกของเรือยาวที่แข่งกันกลางน้ำเรืออี ป, ป้าบลำนั้นแล่นชฉวไปยิ่งกว่ามีแรงฝีพายสักสิบพายมันภายไปจนถึงบ้านกบเจ้าเมื่อไหร่สองพี่น้องก็ไม่รู้ตัวพอถึงที่ก้าหัวเรือเกยตะลิ่งวิ่งขึ้นไปนั่งหอบซี่โครงบาลอยู่บนบ้านไม่ยอมพูดยอมจากับใคร พูดเพียงแต่ว่าผีผีผีหลวงลุงเล่าให้ผมฟังว่าผีที่สาราท่าน้ำวัดตูมเป็นวิญญาณสำเวศีของไ อ, อง้คงมันมานั่งรอเพื่อขอส่วนบุญถ้ามีคนอุทิศให้มันก็จะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีแต่ก็ยังไม่มีใครอุทิศให้เพราะชาวบ้านเมื่อเห็นมันทีไรก็ต้องกยัอ้าวอย่างไม่ยัง้ง จนวันหนึ่งหลวงปู่ท่านมาพบกับมันเองตอนเช้ามืดมันมานั่งรอขอส่วนบุญตอนที่ท่านจะไปบินธบาต ท, ท่านก็เลยกรวดน้ำให้วิญญาณได้คงมันเลยได้ไปผุดไปเกิดและไม่มาวนเวียนที่ศาลาแห่งนั้นอีกต่อไป หัดสิยอ